พระพุทธเจ้าสรนเสริญเช่นใดมากกว่ากันพระองค์สรนเสริญการปฏิบัติบูชามากกว่าเนี่ยนะมันบูชาด้วยกุศลจิตนั้นจึงเป็นการบูชาที่ประณีตประณีตกว่าบูชาด้วยธาตุดินน้ำฝายลมนะประณีตกว่าการบูชาด้วยมหาภูตารูปทั้งหลายนั่นก็บูชาด้วยกุศลจิตถ้ากุศลจิตยานวิปยุทธก็ได้บุญน้อยกว่ายานสัมปยุทธถ้าบูชาด้วยกุศลรัศสก็ได้บุญน้อยกว่าบูชาด้วย สมถะทั้งหลายถ้าบูชาด้วยเมตตาเป็นต้นก็มีผลน้อยมากกว่าการเจริญอนุปัสนาเป็นต้นนั้นพระองค์สรรเสริญการปฏบิบัติบูชาถ้าบูชาด้วยโลกิยะบูชาก็ไม่ได้มีผลมากเท่ากับโลกุตระบูชาถ้าบูชาด้วยโซดาปฏิมา ก, ก็ได้บุญน้อยกว่าสากทาคา ม, มิมักเป็นต้นเท่าการบูชาพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระองค์ต้องการจริงๆก็คือการปฏิบัติ ต, ตามคําสอนถ้าตรัสรู้รมเป็นที่พ้นทุกข์นั่นแหละจึงจะเป็นการ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 ขีดความสามารถน้อยทำได้แค่อามิรบูชาก็ไม่ว่ากันนะเพราะมันทํากว่านั้นไม่ได้ปัญญามันน้อยเนี่ยนะเก็บดอกบวบผมไปบูชาพอทำได้อย่างเงี้ยนะแต่ว่าไอ้เกินกว่า น, นั้นทำไม่ได้ก็ไม่ว่ากันแหละแต่ถ้าสามารถทำในสิ่งที่ดีละเอียดประนีตก็ควรในทํสิ่งที่ประนีตนะมันก่อนก็คุยกันว่าถ้าเราจะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์อยากเห็นเราเป็นแบบไหน นะพระองค์จะอนุโมทนากับเราไหมพระองค์บอก mm. เธอเนี่ยทำดีแล้วอนุโมทนานะหรือสิ่งที่เราทำบอกแม้กรุณาเหลือเกินเนี่ยทำอะไรกันแน่เนี่ยนะต้องพยายามและลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เสมอว่าพระองค์มองเราอย่างไรนะพระพุทธเจ้ากำลังมองเราว่าอย่างไรแล้วเรากาลังทำอะไรตามที่พระองค์ต้องประสงค์หรือไม่เนี่ย น, นะเราทำเพื่อเอาใจเราหรือว่าทำเพื่อเอาใจพระพุทธเจ้า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 ความสุขแก่เราเท่านั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาในที่สุดเราก็ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้เพราะเราโอนไปหาพระองค์ติดตามไปตามพระองค์ไปพูดถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะที่กรงที่ออกบวชทำทุกรกิริยาพระตถาคตก็ประทับนั่งณนโะคนต้นอชปาระมิโครธเนี่ยนะต้นไซเนี่ยเยอะเนี่ยนะโดยเฉพาะที่เขาเชื่อกันว่าที่ที่พระองค์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 เพิ่มเติมอย่างไรเตรียมอะไรไปบูชาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นบ้างไม่ใช่เตรียมแต่ของเตรียมใจเนี่ยนะเตรียมบุญเป็นพุทธบูชาน่ยนะแต่ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นเราก็เตรียมแต่แต่วัตถุที่ในที่สุดก็กลายเป็นขยะน่ยนะสมัยพุทธกาลเชื่อกองขยะกองดอกไม้เนี่ยพเนินท่านนึกสมัยนี้อย่รู้เขาไปทิ้งไว้ไหนแต่วันหนึ่งคนขนไปเยอะนะวันหนึ่งหลายร้อยกิโลเนี่ยนะถ้ารวมปัจจุบันนี่ถ้าเขาเก็บเอาไว้ก็กองโตเหมือนกัน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 เชื่อเธอว่าสิ่งใดที่พระองค์แนะนำนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พวกเราจริงๆนะพอน่เดี๋ยวก็จะไปที่แม่นะ้ำเนรัญชราแล้วเนี่ยนะก็นึกภาพออกอยู่แล้วว่ามีอะไรก็มีน้ำไหลน้ำตื้นๆเขินๆมีแต่ทรายตื่นเช้ามาก็มีคนไปถ่ายอุจจาระอะไรคมีอยู่เท่านี้มีอะไรหรอก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 จะมีพระพุทธมารดาชื่อว่าพระนางมายาพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุโธจนะท่านผู้นี้จะเป็นโคตมะชื่อพระโคตมะโดยโคตพระอัครสาวกชื่อว่าพระโุริตะและอุปติสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระอานันท h จักบำรุงพระชินเจ้าผู้นี้ พระอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นโผล่พฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัศทะอัระอุปถาชื่อว่าจิตตะและหัตถอลวักะอัคราอุปถายิการชื่อวนันทมาตาและอุตราพระโคโดมพุทธเจ้าผู้มียศมีพระชนมายุร้อยปี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 เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบปลื่มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อผู้ทางกูลเป็นผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุูธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นหมื่นโลกธาตุพร้อมทั้งเทวโลกพากันโหร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญเชลีนมัส ก, การกล่าวว่าถ้าว่าพวกเราพลาดจากพระาศาสนาของพระโลกกนาตอัฏทศี พระองค์นี้ไซอนาคตต่อไปอีกพันแปดร้อยกับพวกเราจะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเปรียบเหมือนอย่างว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามท่าน้ําหรือว่าเทระว่าจะข้ามเรือเนี่ยนะพลาดเรือเที่ยวนี้แล้วก็พลาดเรือลำนี้เที่ยวนี้ก็จะขอโดยสารเรือลำข้างหลังน่ยนะเรื่องล ำ, ลำถัดไปแบบนั้นเอถอะทาเหมือนกับว่าพลาดทำนาวา ธรสอนของพระพุทธเจ้าอัฏฐทัศีพระองค์นี้ก็จะขอคอยข้ามธรรมะนาวาพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมข้างหน้าฉะนั้น น, นะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราพลาดครรสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อนหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ฉะนั้นเหมือนกัน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 พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามวาอัตถทัศีเนี่ยนะผู้สแสวงหาพระคุณที่ยิ่งใหญ่นะคือสแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติญาณทัศนะนะแสวงหาการทําลายวัตฏะการสแสวงหาการทําลายสาเหตุแห่งวัตฏะคือทําลายมิจฉาทิฐิมานะตันหาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็สแสวงหาโพธิปัจจยธรรมสแสวงหาอมะตะธรรมพระองค์นั้นเนี่ยเมืองเป็นที่เกิดของพระองค์ชื่อว่าเมืองโสพณนะ พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสาคอนพระเจ้าสาคระก็คือพระเจ้าทะเลนะพระเจ้าสาคอนนะนะแปลว่าไม่ใช่หมายคมว่าเค็มแต่หมายคาำว่ากว้างใหญ่พระชนีมีมีพระนามว่าพระนางสุทัศนาเพราะว่าควรแก่การดูนะเพราะมีมีความงามส่วนพระองค์นั้นครองคารวาสวิสัยอยู่ประมาณหมื่นปีมีปราสาสตชั้นยอดอยู่สามหลังชื่อว่าอมรคิรีแสดงว่า วัดใหญ่มากเลยนะเรียกว่าภูเขาเลยแหละอ ม, มาราคิริสุรคิรีและคิริวาหณนะมีพระสนมนารีที่านางฟอนนักฟอนคอยดูแลปรนนิบัติรับใช้ประมาณสาม0มื่นสาพันนางมีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางวิสาขาพระโอรสของพระองค์ชื่อว่าพระเสละพระชินเจ้าพระองค์นั้น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 มีอัคราสาวกชื่อว่าพระสันตะและพระอุปสันตะพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระอภยะอัคราสาวิกาชื่อว่าพระธรรมมาและสุธรรมมาโพพื่ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าต้นจำปะอัคระอุปถาชื่อว่าณกุละและนิสภะอัคระอุปถายิกาชื่อว่ามกิีลาและสุนันทาพระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์นั้น สูงแปดสิบศอกงามเหมือนพญาสาพรพฤกบริบูรณ์เหมือนหลวงจันทร์รัศมีตามปกติของพระองค์เนี่ยหลายร้อยโกรธแผ่ประโยชน์หนึ่งทั้งสิทิศทั้งเบื้องบนเบื้องล่างทุกเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ล้ำเลิศในนรชนเป็นมุนียอดของสรราาัพพสัตผู้มีจักสุดำรงอยู่ในโลกแสนปีพระอัฐทัศศีพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแสดงพระรัศมีอันหาอะไรเปรียบไม่ได้ เจิดจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลก น, นะแป่งรัศมีที่แสงสว่างอันโอลานกว้างใหญ่เสร็จแล้วก็ถึงความไม่เที่ยงเนี่ยนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะเนี่ยนะอนนี้จาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายว่างเปล่าแค่หนอเนี่ยนะอันนึกถึงไปประทักสินที่มกุฏพันธนะเจดีที่ประชุมพระเพลิงเนี่ยนะที่อื่นก็ประทักศินว่าอิติปิโสภควาอารังซัมมาหรือว่า แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผ้าอรหันแต่ถ้าไปประทักสินที่ที่พระองค์ปริณิพานก็บอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอะอนี่นเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปนีนะความที่สังขารเกิดแล้วเสื่อมไปความสงบประงับสังขารได้เป็นสุขนี่นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแล้วเพราะสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละพระองค์ก็ดับขันทัปปริณิพาน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 ส่วนในมัุรัฐวิลาสินีอัถกถาพันนาวงของพระอัฐ ท, ทัศสีพุทธเจ้าที่14กล่าวว่าเมื่อพระปิยะทัศสัมมาสามัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วศาสนาคำสอนที่ประกอบด้วยอธิศีนอธิจิตอ ธ, อธิปัญญาของพระองค์ก็อันตรธานเสื่อมไปนั้นข้อปฏิบัติเพื่อแนะนาให้รักษาศีลอบรมสมถวิปัสสนาเพื่อบรรลุอริยมรรค ก, ก็หายไปจากโลก เมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุนับประมาณไม่ได้เจริญแล้วก็เสื่อมลงโดยลําดับนะนะเรียกว่าตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ล้อยลงไปจนเหลืออายุประมาณแสนปีก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏทศีผู้เห็นอัดอย่างยิ่งก็อุบัติขึ้นในโลกอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยนะในกลับเดียวกันเนี่ยอย่างเร็วที่สุดก็แผ่นดินหนาะประมาณ20กิโลเนี่ยนะอย่างเร็วนะอย่างเร็ว ก็ประมาณนั้นพระองค์บำเพ็ญบารมีนะหลังจากที่พระองค์บำเพ็ญบารมีในอดีตแล้วก็ตอนหลังก็บำเพ็ญบารมีคล้ายกับพระเวสสันดรบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตก็ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสุทัศนะเทวีอัครมหิสีในราชสกุลของพระเจ้าสาครณกรุงโสพณะเมืองที่งดงามอย่างยิ่ง พระโพธิสัตว์เจ้าก็ดำรงอยู่ในขันสิทธิเดือนประสูตรจากพระขันพระชนนีณสุจินทนะราชุิยานพอพระมหาบุรุษประสูตรจากพระขันพระชนนีเจ้าของทรัพย์ทั้งหลายก็ได้ก็พากันได้ขุมทรัพย์ใหญ่ที่ฝังกันไว้นานๆเสืบสืบตระกูลกันมาเรียกว่าเจ้าของมรดกทั้งหลายที่ปู่ย่าตาทั่วสั่งสมเอาไวใ้ให้ก็ได้รับมรดกกันท่วนทั่วกัน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 เมื่อพระออรสพนาว่าเสรกุมารออรสของพนางวิสาขาเทวีสมภ พ, พคือประสูตรพระโพธิสัตว์ก็เห็นนิมิตคือคนแก่คนป่วยคนตายเห็นนักบวชก็ขึ้นทายา ม, มาชิวสุทัศนเสด็จออกมหาพิเนสกรมคือการออกผนวดมนุษย์ก้าวโกรธก็บวชตามเสด็จพระมหาบุรุษนั้นอันมันประชิดเหล่านั้นเวดล้อมแล้วบำเพ็ญทุกรกิริยาเอ่อขออภัยบำเพ็ญเพียร ประทานรวบรวมคุณธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแปเดือนในวันวิสาขะปุรีนะวันเพ็ญเดือน6พระองค์ก็เสวยข้าวมาทุปายาที่มหาชนนํามาเป็นเครื่องสังเวยนางนาคชื่อว่าสุ จ, จินทรานางนาคคนนี้เป็นพญา น, นาคนะเป็นพญา น, นาคที่เคารพบูชาของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายเขาก็เอาเข้าวมาทุปายาไปบูชานางพญา น, นาคเห็น่านาง เรียกว่านางพญาพญานาคก็คือนางพญางูนั่นแหละนางนาคที่มีเรือนร่างทุกส่วนอันมหาชนเห็นอยู่ก็แปลว่าเป็นเนรมิตจําแรงเป็นนางนาควิกาก็คือนางสาวนาคเหมือนกั น, นก็เอาเรียกว่าสาวนาคนะก็เอาอาหารเนี่ยพร้อมด้วยถาทองพระองค์ก็พักยับยังนะ้งณสวนสาล ร, รุ่นที่ประดับไปด้วยต้นไม้รุ่นสิบต้น แสดงว่าเป็นต้นไม้กลุ่มต้นไม้สิบต้นแต่ว่าต้นที่ใหญ่ก็สงบร่มเย็นดีเวลาเย็นพระองค์ก็ทรงรับญ้า8กรรมที่พญานาคชื่อว่ามหารุจิผู้ชอบใจธรรมถวาย น, นะรุจิแปลว่าชอบใจ น, นะชอบใจพาาเพราะะฉนั้นพาคคนนี้เป็นผู้ชอบใจในธรรมก็เลยเอาเอาญ้าเนี่ยมาบูชาพระพุทธเจ้า เสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังโพพฤกษ์ช่ว่าต้นจาปะะต้นจปาปานะไม่รู้ว่าจาปาสายพันธุ์เดียวกับพวกเราหรือเปล่าไม่ทราบานะจำจำปาเราอนะใช่หรือเปล่าไม่ทราบานะพระองค์ก็ทรงลาดสันทัดหญ้านะนะกว้าง53สศอกประทับนั่งคัสมาที่บรรลุพระสัมโพธิญาณ น, นะก็ด้วยวิชาสามพระองค์ก็เปล่งบูทานว่าอเนกชาติสังสารังเป็นต้น ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประพฤติกันมาคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเมื่อบรรลุธรรมแล้วจะเปล่งปรถมพุทธอุทานหลังจิตจากที่การตรัสรูว้ว่าอเนกชาติสังสารังสรรคาวิสังอันนี้พิสังเป็นต้นนั่นเองพระองค์ก็ยับยังย้งเสวยวิมุตติสุขและพิจารณาธรรมอยู่ ใ, นในพพกล้โพลพฤกษ์เจ็ดวันเจ็ดสัปดาหนะ์สัปดาห์ที่เพระองคอ์สัปดาห์ที่8พระองค์ก็รับอาราธนา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 อันภิกษุเหล่านั้นเวทล้อมแล้วพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักรณที่นั้นครั้งนั้นธรรมมาพิสมัยการตรัสรู้อริยสัจก็ได้มีแก่สัจํานวนแสนโกด ต, ต่อมาอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นําโลกเสด็จจาริกไปในเทวโลกนะพระองค์ก็แสดงคําโปรดณที่นั้นอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัจรประมาณแสนโกดก็แสดงตอนที่พระองค์แสดงย ม, มะกะปาติหารมีผู้บรรลุประมาณแสนโกด ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอัฏฐทศีเสเด็จเข้าไปยังกรุงโสมณนะเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเสด็จไปยังกรุงกเบลภัสแสดงคำโปรดพุทธบิดาหรือโปรดพระประโยชน์ธรรมมาพิสมัยก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณแสนโกดนะก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ประกาศอะไรบ้างพระเวสส์เนื้อหาคล้ายกับพระเวสสันดรชาดกเนื้อหาที่เป็นพุทธวงศจริยาปิดกเป็นต้นนั่นเองก็มีผู้ตรัสรู้ประมาณแสนโกด เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสให้พระสารีบุตรฟังเป็นคาถาว่าในวรกับเนี่ยนะ ก, กับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามองค์นั่นเองพระอัฏฐ ท, าทาัศนีพุทธเจ้าผู้มีพระยดยิ่งใหญ่ก็ทรงกำจัดความมืดคืออวิชามไม่รู้ในฐานะแปประการบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดพระองค์อันเทา้ามหาพรหมาราธนาแล้วก็ประกาศพระธรรมจกักยังหมื่นโลกกระท่าพร้อมทั้งเทวลโลกให้อิ่มด้วยอมตะธรรม พระโลกนาถพระองค์นั้นมีอภิสมัยการตรัสรู้ใหญ่ๆสมครั้งครั้งแรกครั้งที่1มีสัตว์แสนโกรธครั้งที่สองแสนโกรธครั้งที่สก็แสนโกรธได้ยินว่าในสุจันทกะนครเนี่ยนะพระสันตราชโอรสและอุปสรรตะบุตรปุโรหิตไม่เห็นสาระในคัมภีรไตรเพศและลัทธิสมัยอื่นทุกอย่าง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 เสนาบดีเป็นผู้ใหญ่เป็นเสนาบดีเป็นต้นจบนรกมาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแต่และ ว, วิชาเนี่ยมันจบที่ไหนคือท่านเป็นผู้ที่พวกมีอุปนิสัยที่จะบรรลุอริยสัจนั้นอะ่ะผู้นี้จะไม่คิดอะไรง่ายๆพว้นี้ค่อนข้างคิดยาวและคิดไกลเบื้องต้นเนี่ยตอนหนุ่มอยู่ที่ไหนตอนแก่อ ย, อยู่ที่ไหนตอนใกล้าตายอยู่ที่ไหนตายไปแล้วจบลงที่ไหนอีกหลายหายชาติต่อไปมันคืออะไร ก็มนันวิชาที่ตัวเองเรียนมานี่มันได้ประโยชน์อะไรบ้างจบไตายเพศเนี่ยนะผสมอักขระพยัญชนะอะไรทุกอย่างทั้งหมดหรือว่าร่ำเรียนวิชาที่มีอยู่รัฐทีสมัยอย่างหรือในยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นวิชาที่ไม่ได้ส่งเสริมศีลสมาธิปัญญาอะไรเลยก็ไม่เห็นว่ามันมีสาระอะไร อย่าลืมว่าศีลเป็นเหตุให้พ้นจากอบายทุกขติวิิบาตนรกสมถะเป็นอุบายที่ให้พ้นจากกามภพวิปัสสนานะนะเป็นปัจจัยให้พ้นจากภพทั้งปวงเพราะฉะนั้นวิชาทั่วไปไม่ได้ทำให้วัฏะมันสั้นลงอะไรแต่เป็นการศึกษาเรียนรู้เพื่อขยายวัฏฐ์เรียกว่าโครงการขยายวัฏตะให้มันยืดมันยาวยิ่งๆ่งขึ้นไป เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่เห็นสาระเมื่อไม่เห็นสาระแต่ว่าเรียนจบเลยนะคอยไม่เห็นสาระแล้วไม่เรียนบอกว่าไม่รู้วีประโยชน์อะไรเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่ารอบรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรทีนี้พอรู้ว่าไม่มีสาระเข้าทําไรก็วางคนที่มีความรอบรู้และแกล้งกล้าเอาไว้สี่คนที่ประตูทั้งสี่ของพระนครคล้คลายๆกับพระเจ้ามหากรรณาเลยนะพระเจ้ามหากปรณาเนี่ยมีความคิดแบบนี้นะมันไม่มีประโยชน์อะไรท่านคอยฟังว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกอย่างหรือยัง ก็จะส่งทหารทหารม้าเนี่ยสี่นายวิ่งไปสี่ทิศไปสืบข่าวดูต้อมีข่าวพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกหรือยังพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกหรือยังเพราะนั่นคือเป็นข่าวดีที่สุดสําหรับท่านเพั้นตอนหลังมีคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกจายค่าบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแสนหนึ่งแสนสมัยนั้นนะซึ่งมากมหาศาลเลยแหละพระธรรมอีกแสนหนึ่งพระสงฆ์อีกแสนหนึ่งพระเทวีพระนางมหังอะพระนางอะไร ม่ให้สีพระนางอโนชาเนี่ยนะพะนางอโนชาเนี่ยก็บอกเลยว่ า, านางอโนชานี่ใจกล้ากว่าพระพระาชาอีกเนียให้บอกพระพุทธเจ้าให้สามแสนบอกพระธรรมให้สามแสนบอกพระสงฆ์ให้อีกสามแสนวันนั้นพ่อค้าเลยไม่ต้องอะไรบอกข่าวพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกได้ล้านสองเนี่ยนะแป๊บเดียวเนี่ยนะซึ่งแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็เก่งนะท่านท่านมีบุญมากเลยอะ พอได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกอยู่ที่ใดขี่ม้าไปเลยเนะเออฝากบอกพ่อคาบอกให้สมบัติมหสีหมดเลยนะคลองดูแลอะไรดูแลกันเองแล้วกันพระมหสีบอกเรื่องอะไรจะกลืนน้ำลายที่เขาถมไว้ให้ออกบวตามเลยนะซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้ตรัสรู้อริยสัจกันหมดเนี่ยนะเป็นเอตทัคคะเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่พันเป็นผู้ที่มีบุญ เพราะท่านเหล่านั้นเป็ น, ปนผู้ที่สแสวงหาสิ่งที่พ้นจากชาติชารลาและมรณะอย่างที่บอกโอ้หลายคนเนี่ยนะถ้าเราพูดถึงประโยชน์ของการสแสวงหาปัจจัยสี่ในโลกนี้นะพูดถึงว่าการประกอบอาชีพการทำอะไรก็ตามสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรได้อาหารสี่อาหารให้เพียบพร้อมปัจจัยสี่บริบูรณ์นะมี เครื่องนุ่งห่มมีอาหารมีที่อยู่อาศัยยามเจ็บไข้ไม่สบายก็มียูกยา ม, มีผู้ดูแลเนี่ยนะบริบูรณ์พูนสุขไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะ ท, ทั้งหลายยามใช้จ่าย ใ, ในปัจจุบันและค่ อ, อ, อยๆใช้ต่อไปในอนาคตอยู่อย่างสุขสบายแต่ว่าผู้ที่มีอัธยาศัยวิวัตะเขาคิดความสุขที่ลึกกว่านั้นใหญ่กว่านั้นและกว้างกว่านั้นนั้นเขาต้องการความสุขที่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 อรสนนะพระสันตราชพระองค์เนี้ยก็เลยรับสั่งให้คนเนียไปคอยหาข่าวเลยนะว่าถ้าได้เห็นหรือได้ยินสมณะพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตผู้ใดมาท่านจงมาบอกเราเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเมื่อพระกกนนพุทธโลกกนาตพุทธเจ้าพระนามว่าอัถฐทะัศีเสด็จนะสงเคราะห์เวนยศัสตร์จนถึงสุจั น, จนทการนาครครั้งนั้นบุรุษคนเหล่านั้นก็ไปบอกอนะพระสันตราช ราชโอรสอุปสันตะบุตรบุโรหิตก็เสด็จเข้าไปเฝ้าคือหลังจากที่ฟังข่าวการเสด็จมาของพระตถาคตก็มีใจบร่าเริงมีบริวารพันหนึ่งไปรับเสด็จพระทศพลเนี่ยนะผู้ไม่มีผู้เสมอ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 ท้ามกลางบริษัทนั้นนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่หนึ่งครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อแสดงธรรมแก่พระเสละเถระโอรสของพระองค์นะส่งยังบุรุษ 88,000 ดพันให้เลื่อมใสให้บวชด้วยเอหีพิกุภาวะให้เข้าบรรลุพระอาหารหันต์แล้วยกปาติโมขึ้นแสดงอันนี้เป็นสันนิบาต การประชมุมอัปผ้าอรหันต์ครั้งที่สองต่อมาอีกเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ในวันมาะบุรมีในมหามงคลสมาคมเรียกว่าแสดงมงคลสูตรนะนะก็มีสัตว์ประมาณ 7,8,000 ได้บรรลุผ้าอรหันต์แสดงว่าบรรลุอย่างอื่นไม่ได้กล่าวถึงวา ง, งั้นคือมากมายอันนี้เป็นสันนิบาตการประชมุมสาวกอรหันต์ครั้งที่สาม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 สมัยต่อมาเมื่อพระอัฏฐทศิพุทธเจ้าผู้นําโลกทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระองค์แน่ทรงยังฝนฝนคืออมตะนิพพานให้ตกให้ตกลงณท่ามกลางบริษัทแปะคือกษัตริย์บริษัทพราหมณ์บริษัทครหบดีบริษัทสมณะบริษัทจ่าตุมบริษัทดาวเดืองบริษัทมารบริษัทและพรหมบริษัทณกรุงสุทัศนะมหานครพระโพธิสัตว์ของเราก็ไปฟังพระธรรมของพระองค์ เสร็จแล้วก็ไปสู่สวรรค์เนี่ยนะหารายบูชาดีเนาะก็เลยไปสู่สวรรค์ไปนำเอาดอกไม้ทิ่มีดอกมณฑารบดอกปทุมดอกปรกปิชัตตกะปาริชัตตกะเป็นต้นลงมาจากเทวโลก เมื่อจะสำแดงอนุภาพของตนจึงปรากฏตัวเนี่ยนะปรากฏตัวให้เห็นเสร็จแล้วก็ยังดอกไม้ฝนดอกไม้ให้ตกลงในถ้มกลางทิศทั้ง4เหมือนมหาเมฆตกใน4ี่ทวีเรียกว่าฝนดอกไม้ก็โปรยตกลงมาแล้วก็สร้างสิ่งที่สำเร็จด้วยดอกไม้เป็นที่มีไว้บูชา ไม่ว่าจะเป็นสาวรเนียรขายทองที่สำเร็จด้วยดอกไม้เป็นต้นเป็นมนดบดอกไม้โดยโรค บ, บูชาพระทศพลด้วยฉัดดอกมนทารพบนะร่มดอกไม้ทุกอย่างนี่จะเป็นดอกไม้ตกแต่งด้วยดอกไม้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าอนาคตการ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 ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัทาธทัศนีนั้นพระองค์เป็นเฉลินมีตะบะสูงชื่อว่าสุสีมะอันแผ่นดินคือโลกพากันสมมุติว่าเป็นผู้ประเสริฐคือคนดีเรานําดอกไม้ที่คือดอกมณฑารพดอกประทมปาริฉัตกะจากเทวโลกบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอัทธทัศสีพุทธเจ้ามหามุนีพระองค์นั้นก็พยากรณ์เราว่าผ่านไปอีกหนึ่งพันกับท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า น, นะฝ่ายพระโพธิสัตว์พอได้ฟังพระดํารัสก็รา่าเริงสลดใจอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติเพื่อบําเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศนีนั้นพระองค์มีนครชื่อว่าโสภาณะพระพุทธบิดาชื่อว่าพระเจ้าสาคระพระพุทธมารดาชนานีพระนามว่าสุทัศนา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 พระรัศมีตามปกติของพระองค์ก็มีหลายร้อยโกรธแผ่ไปยังแผ่ไปโยดหนึ่งสิทิศเนี่ยนะรัศมีของพระองค์เนี่ยแผ่ไปในสิบทิศทิศเบื้องสูงเบื้องต่ําเบื้องขวางทั้งหมดพระพุทธเจ้าผู้องค์อากในนรชนเป็นมุนียอดแห่งสรรพสัตว์ก็คือเนื้อสุดยอดของสรรพสัตว์ผู้มีพระจักสุคือจักสุห้าเนี่ยนะ หรือว่าย่อๆจักสุมีสองประการมังสะจักสุกับญานจักสุนะส่วนมังสะจักสุกก็มีอยู่สองอย่างภาษาภาาท่จักสุและสัมภาระจักสุส่วนธรรมะนะธรรมะจักสุหรือยาณจักสุมี5อย่างเครียกว่ายาณจักสุนะเรียกว่าญานจักสุธรรมะจักสุนะพุทธจักสุสมันตะจักสุและก็ทิพจักสุเนี่ยนะพระองค์ผู้มีจักสุ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 ท่นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จดับขันปริณีพานด้วยอนุปาทิเศสะปริณิพานาทอดทิ้งอุปาทานขันทิ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วไม่ถือเอาใหม่เพราะสิ้นเยื่อใอาายอะไรอวรนในขันห้าเหมือนดวงไฟที่ดับไปเพราะสิ้นเชือ้อฉะนั้นพระธาตุของพระองค์ก็ได้เริยราลัยไปด้วยแรงอธิฐานของพระองค์ว่าขอให้พระธาตุของพระองค์นั้นกระจัดกระจายเพื่อเป็นที่บูชาของ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างเช่นพระเกษาธาตพระโล ม, มาธาตุเทวดาในจักรวาลต่างๆก็นำไปบูชาหรือว่าแม้กระทั่งในโลกนี้หรือว่าพระทันตธาตุพระทตาตธาตุพระททนคือฟันเนี่ยทันตะก็คือฟันหรือพระทาถาพระเขี้ยวแก้วหรือว่าพระอธิธาตุเนี่ยนะพระอธิส่วนต่างๆตั้งแต่กระดูกพระบาทไล่มาจนถึงพระเศียรเนี่ยนะก็กระจัดกระจายไปตาม